สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกลเม็ครัวไอเดียนะคะกลับมาพบกันในต้นสัปดาห์แบบนี้โดยรายการของเรานะคะสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี วันนี้ในเรื่องราวของรายการของเรานะคะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างอย่างในช่วงแรกนะคะกับกลเม็ดลุยเข้าครัววันนี้เอมี10 ส, สุดยอดค่ะที่เป็น10เมนูอาหารไทยนะคะทำง่ายสะดวกสบายเลยนะคะต้อนรับหน้าฝนมาฝากกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันนะคะส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นกับกลเม็ดเกรดเสริมครัววันนี้เราจะไม่ได้มาตกแต่งห้องครัวจา้าทีเดียวนะคะแต่ว่าเราจะมาแนะนํา ทั้งเรื่องของการใช้วัสดุพื้นที่เป็นไม้จริงนะคะมี5้าไม้ด้วยกันที่เราจะมาแนะนํากันนะคะในช่วงของการตกแต่งห้องครัวแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆมาแนะนํากันด้วยนะคะเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนั้นกับกลเมฆเกร็ดท้ายครัวค่ะวันนี้เอมีเรื่องราวของอท่อน้ํา นะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไม่อยากให้ท่อน้ำตันแล้วจนถึงขนาดที่ต้องเรียกช่างเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะทิ้ง8สิ่งนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันในช่วงที่3นั้นว่ามีอะไรกันบ้างใน8สิ่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังการทั้ง3ช่วงเลยนะคะของรายการกลเมคครัวไอเดียค่ะ อย่โทษฉันเลยฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจฉันบอกได้ อยถามตรงก็บอกมาเลยฉันเพียงต้องถามเพื่อความเข้าใจอย่าโทษฉัน ก็ามาสู่ช่วงของกลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะในรายการกลเม็ดครัวไอเดียของเราในสัปดาห์นี้ซึ่งอย่างที่เอได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าวันนี้เรามีสุดยอด10เมนูอาหารไทยทําง่ายสะดวกสบายนะคะรับหน้าฝนตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกแทบทุกวันนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยทุกวันจริงๆโดยเฉพาะเวลาเลิกงานนะคะเขาเรียกว่าฝนราชการไม่รู้ทําไมถึงเรียกแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่า เออเป็นเป็นฝนราชการอาจจะเป็นเพราะว่ามาเวลานี้ทุกวันเวลาเลิกงานของราชการแบบนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเราอยู่ได้แต่ในบ้านนะคะเป็นฤดูการที่มากับความเศร้าจริงๆเอานะถ้ามองลงในแง่ดีสักหน่อยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ติดกับบ้านแล้วกันนะคะถ้าไม่มีฤดูฝนเนี่ยก็คงไม่มีความเย็นสบายนะพอฝนตกเราก็ได้เย็นสบายชุ่มฉ่ำกันอันนี้ก็คือการมองโลกในแง่ดีนะคะบรรยากาศเงาเงาปนโรแมนติกแบบนี้นะคะก็เลยมี10เมนู ไทยคะ่ะที่สะดวกสบายรับหน้าฝนนะมาให้ลองทําทานกันเองที่บ้านหรือว่าจะไปหาตามร้านอาหารก็ได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆนะคะกลิ่นพริกไทยเนี่ยหอมๆที่เสิร์ฟพร้อมในวันฝนตกสูตรลับในการทํำข้าวต้มให้ง่ายๆเลยนะคะก็คือการนํำข้าวเปล่าที่ สุกแล้วเนี่ยมาต้มกับน้ำจากนั้นก็ปรุงรสนะคะเป็นปรุงรสซุปให้อร่อยด้วยน้ำปลาซุปก้อนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายใส่รากผักชีนะคะผักชีต้นหอมหัน่นแล้วก็เป็นหมูสับน ะ, ะหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้อย่างก็ต้มกุ้งก็ต้มปลาหมึกแบบนี้นะคะลงไปเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามใส่กระเทียมเจียวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยมักจะเป็นหวัดการกินอาหารอ่อนๆแบบนี้ก็จะช่วยให้เรานั้นนะคะมีเขาเรียกว่าไม่ระคายเคืองมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเจ็บคอไปแล้วนะคะเตรียมจะเป็นหวัดกันแล้วเขาต้มนี่แหละนะคะเป็นอาหารที่อุ่นร้อนด้วยนะคะแล้วก็กินง่ายเป็นอาหารอ่อนๆแถมยังอร่อยด้วยต่อมาค่ะ หมูไก่กระเทียมนะคะไก่หรือว่าหมูผัดกระเทียมเนี่ยหอมๆราดบนข้าวสวนร้อนๆคงไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้แล้วแหละจะทําทานเองที่บ้านก็ง่ายๆนะคะแค่ผัดหมูหรือว่าไก่กับกระเทียมพริกไทยใส่น้ําปลาน้ําตาลน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวผัดให้หอมฟุ้งกันไปเลยแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ ต่อมาอย่างที่3นะคะก็คือข้าวผัดข้าวผัดเนี่ยเป็นเมนูประจําบ้านของทุกบ้านเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปูข้าวผัดปลาข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูหรือว่าจะผัดไก่นะคะแค่ใส่ไข่อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเด็ดเลยนะแถมใช้เวลาทำไม่ถึง10นาทีค่ะแค่ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ผัดให้สุกค่ะ ต่อมาอย่างที่4ี่กันบ้างนะคะกับข้าวไข่เจียวไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้แล้วค่ะนะคะทั้งง่ายด้วยแล้วก็คลาสสิกด้วยนะคะข้าวไข่เจียวนี่แหละไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวทรงเครื่องไข่เจียวหมูสับไข่เจียวกุ้งนะคะก็อร่อยเลิศรสแถมยังทําง่ายๆตอกไข่ไก่นะคะใส่ชามตีจนไข่แดงและไข่ขาวเนี่ยผสมกันเป็นก้อนเดียวนะคะรวมกันเป็นเนื้อเดียวตั้งน้ํามันจนร้อ น, นะค่ะจากนั้นก็เทไข่ใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่ว่า ต้องระวังในเรื่องของน้ำมันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็คือไข่เจียวเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะเท่าไข่ดาวไข่ดาวเนี่ยเราอาจจะต้องทอดให้จมน้ำมันแบบนี้นะคะแต่ว่าไข่เจียวใช้น้ำมันแค่เล็กน้อยพอติดก้นกระทะเท่านั้นก็พอค่ะต่อมาอย่างที่5นะคะก็คือผัดคณะ เป็นอีกหนึ่งเมนูลือเรื่องนะคะผัดคะน้าน้ำมันหอยหวานๆเค็มๆมันๆนกรอบๆคือเสน่ห์ของเมนูนี้นะคะยิ่งทานคู่กับข้าวสวยนับรองว่าฟินไปไกลเลยทีเดียววิธีทําง่ายๆค่ะแค่ใส่น้ํามันนะคะลงไปในกระทะจนไฟร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็คะน้าลงไปแล้วปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลหยะน้ําเปล่านะคะลงไปนิดหน่อยเร่งไฟนะคะให้แบบฟูๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะ ต่อมาอันที่6กนะคะก็คือเมนูนี้เลยผัดกระเพราค่ะเมนูที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาทีไรต้องตะโกนว่าผัดกระเพาเนะะี่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูอันโด่งดังของไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่ารสชาติที่เผ็ดหวานแล้วก็เค็มแบบลงตัวบวกกับกลิ่นหอมๆของใบกระเพาค่ะที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อสัตว์นะคะเลยส่งผลให้เป็นเมนูที่เป็นเมนูสุดยอดมากๆขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนขณะที่เราจะทําเองไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะมีะรายละเอียดที่ เยอะสักนิดหน่อยนะคะโดยจะต้องโขลกพริกขี้หนูนะคะพริกหอมแล้วก็กระเทียมเนี่ยเข้าด้วยกันก่อนจากนั้นก็ค่อยนำไปผัดในกระทะจนหอมแล้วก็จัดการนะคะใส่เนื้อสัตว์ที่เราชอบลงไปใครที่ถนัดกุ้งก็กระเพรากุ้งนะคะใครถนัดปลาหมึกก็กระเพราปลาหมึกแบบนี้น ะ, ะถ้าใครถนัดหมูไก่ก็กระเพราหมูกระเพราไก่กันไปน ะ, ะจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวหรือว่าผัก ที่เราชอบนะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยก่อนตักขึ้นใส่จานนะคะก็ใส่ใบกระเพราเนี่ยลงไปแล้วก็ผัดสักทีสองทีสมทีแค่นี้นะะแล้วก็ขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะต่อมาอย่างที่7นะคะกับต้มยำกุ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูอันโด่งดังนะคะของประเทศไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกอย่างเมนูต้มยำกุ้ง เปรี้ยวเผ็ดนะคะแซบแล้วก็ความหวานของกุ้งเนี่ยที่ลงตัวกับเครื่องเทศอย่างขิงข่ะตระไคร้ใบมะกรูดนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยเมนูนี้อาจจะวุ่นวายสักหน่อยเพราะว่ากระบวนการหรือว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่รับรองว่าหน้าฝนนี้ฟินแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องแกะเปลือกกุ้งเอาเส้นดำเนี่ยนะคะที่อยู่กลางหลังเนี่ยออกซะก่อนล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็หั่นเครื่องต้มยำไม่ว่าจะเป็นพริก ขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็เห็ดเนี่ยให้พร้อมจากนั้นก็นำน้ำซุปค่ะตั้งไฟให้เดือดนะคะใส่เครื่องต้มยาลงไปให้หมดพอเดือดอีกครั้งก็ใส่กุ้งลงไปหลังจากที่ใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะให้ใส่น้ำตาลน้ำปลาพริกขี้หนูพริกเผาลงไปตามใจชอบจากนั้นจึงปิดเตาแล้วก็คอยปรุงรสด้วยมะนาวจึงจะทำให้รสชาติของมะนาวเนี่ยไม่ขมค่ะ แล้วก็ทริคอีกอย่างหนึ่งเนี่ยะสำหรับเรื่องของการทำต้มยำก็คือการบีบมะนาวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังต้องไม่บีบลงไปในหม้อนะคะคุณผู้ฟังควรจะปรุง น้ำที่เป็นน้ำต้มยำเนี่ยแยกเอาไว้นะคะใส่ถ้วยเล็กๆหรือว่าเป็นถ้วยของต้มยำที่เราจะตักเสิร์ฟนี่แหละในนั้นก็จะมีพริกนะคะที่เราโขกเอาไว้เพื่อความเผ็ดแล้วก็ความแซบนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาแล้วก็มะนาวมะนาวเนี่ยเวลาที่เราบีบลงไปในหม้อดโดยตรงเนี่ยนะคะมันจะไม่ให้รสชาติเปรี้ยวเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะกลบ นรสชาตินี้ไปทำให้บีบเท่าไรเนี่ยก็อาจจะไม่เปรี้ยวสักทีหรือว่ารสชาติเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่8นะคะเรื่องของส้มตำกันบ้าง อากาศเย็นๆในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะต้องเจอความร้อนแรงของส้มตำค่ะดับความคูลกันสักหน่อยและถ้าพูดถึงส้มตำตอนนี้นะคะคงอดคิดถึงตำถาดที่ร้านดีๆสักแห่งไม่ได้คือส้มตำที่เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงเมนูอื่นๆนะคะอาศัยเดินไปซื้อส้มตำหน้าปักซอยบวกถั่วลิสงคั่วกุ้งขนมจีนแคบหมู ก็อร่อยเลิศได้แล้วนะนี่เกือบจะเป็นส้มตาถาดอยู่แล้วนะคะต่อมาเมนูที่เก้านะคะมาม่าต้มยาค่ะแน่นอนว่าเมนูจำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นมีทั่วโลกนะคะมีประจำประเทศเลยแต่ว่าใครจะรู้บ้างว่าเมนูที่เป็นมาม่าต้มยานั้นของไทยนะคะแซบแล้วก็ แสบปากที่สุดทำง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแค่ใส่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยลงไปแล้วก็นะคะเหมือนเราต้มมาม่าปกติเลยแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำที่เราอยากจะทานลงไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นพวกหมูเหเ็ดเป็ดเปดหรอไม่ไม่น่าเป็ดนะก็คือหมูเห็ดอ่ะ ไก่นะคะกุ้งปลาหมึกซีฟู้ดอะไรแบบนี้รับรองว่าแซ่บอย่างแน่นอนนะคะ <S <S สุดท้ายแล้วกับเมนูนี้ผัดซีอิ๊วค่ะอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่ารสชาติกลางๆไม่เผ็ดหรือว่าหวานจนเกินไปแถมยังพกพาเข้ากล่องนะคะไปทานนอกบ้านได้อีกด้วย <S <S สำหรับวิธีการทำก็คือตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันด้วยไฟปานกลางค่ ะ, <S <S คะพอน้ํามั น, นร้อนก็ใส่ไข่ลงไปคนเบาๆนะคะจาก นั้นก็ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ผัดจนสุกค่ะแล้วค่อยใส่เส้นนะคะซีอุกขาวเต้าเจี้ยวคลุกเส้นเนี่ยให้ทั่วแล้วจึงใส่น้ําตาลกับน้ําปลาแล้วก็ผัดจนแห้งอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ใส่คะนา้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักใส่ที่หลังนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะหิวแล้วหรือยังอาจจะแบบเอ๊ะฉันกําลังจะเข้านอนเลยแบบนี้นะคะทําไมถึงมาทําให้หิวกันอีกละ่ะขอโทษด้วยนะคะคุณผู้ฟัง ขอโทษจริงๆนะแต่ว่านี่แหละเป็นหน้าที่นะคะแล้วก็ เ, เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะค ะ, ะ, ะก็ถ้าใครที่ อ, อ, อดใจนะคะรอไม่ไหวคือพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีคำถามแล้วละว่ากลางวันนี้กินอะไรดีเธ อ, อกินอะไรเธอกินอะไรทีนี้เรามีคำตอบแล้วนะ1ใน10นะคะที่เอแนะนำกันไป คุณผู้ฟังพรุ่งนี้ตอนเที่ยงต้องได้กินอย่างแน่นอนนะคะไปตามหาตามโรเคชั่นร้านต่างๆก็ได้หรือว่าจะทำทานเองที่บ้านก็ได้สบายใจเป็นที่สุดนะคะแล้วคุณผู้ฟังละคะมี1ในดวงใจอาหารโปรดเป็นอาหารชนิดไหนกันบ้าง แนะนำกันเข้ามาได้ค่ะในเพจวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะเผื่อว่าเอาจะได้ลองทานเมนูที่เป็นเมนูของคุณผู้ฟังกันบ้างเอาละครัเดี๋ยวช่วงหน้านะคะรเราของการตกแต่งห้องครัวเอมีโลกเราของห้าวัสดุพื้นไม้จริงนะคะเลือกแบบที่ใช่ลวดลายที่ชอบให้บ้านนะคะแล้วก็ห้องครัวเนี่ยมีความสวยงามเป็นธรรมชาติค่ะ สู่ช่วงนี้นะคะเรื่องราวของโกลเม็เกรดเสริมครัวค่ะเรามีเรื่องราวของการแนะนำห้าวัสดุพื้นไม้จริงเลือกแบบที่ใช่ลวดลายที่ชอบนะคะให้กับบ้านนะคะแล้วก็ห้องครัวเพื่อความสวยงามเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ ความสวยงามของไม้จริงนั้นนะคะนับว่าเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะนําออกมาเป็นส่วนประกอบของบ้านโดยเฉพาะพื้นบ้านนะคะแล้วก็พื้นห้องต่างๆอย่างห้องครัวด้วยวัสดุไม้ที่นํามาใช้นะคะในการปูพื้นบ้านนั้นก็จะทํามาจากไม้หลากหลายประเภทซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็มีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกันออกไปและหากคุณต้องการจะปูพื้นบ้านด้วยไม้จริงๆแล้วก็วันนี้เรามี5วัสดุนะคะมาแนะนําการเป็นวัสดุพื้นไม้จริง มาลองดูกันว่าแต่ละบบบนั้นมีลักษณะแบบไหนแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงมากน้อยเพียงใดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักมาตรฐานความแข็งของพื้นไม้กันก่อนนะคะความแข็งแรงของพื้นไม้แต่ละชนิดถูกกาหนดขึ้นนะคะโดยมาตรการความแข็งของพื้นไม้หรือที่เรียกว่าเจนการ์สเกล เป็นการคำนวณ น, นะคะโดยการวัดแรงที่ใช้ในการกดลูกบอลเหล็กขนาด 11.28 ม mm ลมนะคะลงในเนื้อไม้ให้ได้ครึ่งลูกซึ่งเมื่อกดได้ครึ่งลูกแล้วนะคะก็จะทำการวัดค่าความแข็งแรงถ้าตัวเลขยิ่งสูงเนี่ยแสดงว่ายิ่งมีความอดทนมากค่ะอย่างรรกเลยก็คือไม้โอ๊กนะคะราคาก็ถือว่าระดับปกตินะคะปานกลางไม่ได้หวือหวาอะไรมาก โดยไม้ออกสีแดงนะคะจะมีโทนสีออกไปทางส้มๆที่ดูอบอุน่นส่วนไม้โออกสีขาวนะคะจะมีโทนสีที่ดูซีดเย็นกว่านั่นเอง ทีนี้เรามาดูเรื่องของค่าวความคงทนของไม้โอ๊กกันบ้างนะคะไม้โอ๊สีแดงเนี่ยมีค่าวความคงทนอยู่ที่ 1,290 ในขณะที่ไม้โอ๊ขาวค่ะมีความคงทนอยู่ที่ 1,360 นะคะสิ่งที่ควรรู้เนื่องจากไม้โอ๊มีลักษณะเป็นไม้แบบเปิดผิวที่เป็นโชวลดลายนะคะทำให้คราบสกปรกนะคะสามารถติดแน่นได้ง่ายค่ะต่อมานะคะคือใบเมเปิ้ล ราคาก็นะาะไล่เรียงกันมากับ ตัวที่เป็นไม้โอ๊กนะคะโดยไม้เมเปิลนะคะมีลักษณะพื้นผิวที่ค่อนข้างบางแล้วก็จะมีโทนสีออกไปทางสีเหลืองและจะมีโทนสีเข้มเมื่อผ่านช่วงเวลาการใช้งานค่ะค่าความคงทนนะคะใบเมเปิลมีค่าความคงทนที่1450นิยมใช้ในลานโบวิ่งนะคะสิ่งที่ควรรู้ไม้เมเปิลมีลักษณะพื้นผิวนะคะแบบปิดเนื้อผิวจึงทําให้ไม่ดูดซับความชื้นและไม่ เปื่อนง่ายใช้ได้กับห้องครัวห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะต่อมาเป็นไม้ฮิกกอรี่นะคะราคาเนี่ยจะสูงกว่าไม้เมเปิลกับไม้โอ๊กนะคะลักษณะภายนอกไม้ฮิกกอรี่นะคะมีสีสันของรุดลายไม้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายให้อารมณ์แบบบ้านรัสติกน ะ, ะได้ดีทีเดียวค่าความคงทนนะคะไม้ฮิกกอรี่เนี่ยมีความคงทนที่ 1,820 เหมาะที่จะใช้ในห้องที่มีการใช้งานหนักๆอย่างเช่นห้องครัว หรือว่าห้องรับแขกค่ะโดยสิ่งที่ควรรู้สำหรับไม้ฮกอรี่นะคะเป็นไม้ที่ไม่ดูดซับความชื้นมากนักเหมาะสำหรับใช้กับบ้านที่อยู่ริมทะเลเป็นอย่างยิ่งค่ะต่อมาอย่างที่สี่นะคะไม้เชอรี่ราคา สูงขึ้นมานะขยับขึ้นมาจากไม้อ k กไม้เมเปิลนะคะแล้วก็ไมฮิกอรี่นั่นเองโดยลักษณะภายนอกนะคะของตัวไมเชอร์ลี่เนี่ยก็จะมีเนื้อไม้ที่สวยงามเป็นลวดลายนะคะแล้วก็มีโทนที่หลากหลายเป็นโทนสีจะมีความเข้มและแดงขึ้นเมื่อผ่านระยะเวลาของการใช้งานโดยค่าความคงทนค่ะของไมเชอร์ี่นะคะมีค่าความคงทนเพียง950จึงเหมาะสมกับห้องที่ไม่เน้นการเหยียบพื้นมากนักยัง เช่นห้องนอนนะคะและหากเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะปูพรมทับไว้ด้วยโดยสิ่งที่ควรรู้นะคะสำหรับไม้เชอรี่ไม้เชอรี่เนี่ยมีความไวต่อแสงแดดมากนะคะแล้วก็พื้นผิวจะถูกเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็วหากต้องแสงแดดตลอดเวลาค่ะและสุดท้ายนะคะไม้วอลนัท ราคาก็จะสูงนะะเหมือนกับไม้เชอร์รี่เลยคือสูงกว่าไม้โอ๊กนะะสูงกว่าไม้เมเปิลสูงกว่าไม้ฮิกกอรี่นะะแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่พอๆกันกับไม้เชอร์รี่นั่นเองโดยลักษณะภายนอกของไม้วอลนัทค่ะจะมีโทนสีที่เข้มขลึมนะะแล้วก็มีการจัดเรียงที่สวยงามส่วนมากนะะจะมีลวดลายพื้นผิวที่เป็นแพทเทิร์นเส้นตรงค่ะค่าความคงทนนะะไม้วอลนัทเนี่ยมีค่าความคงทน อยู่ที่ 1,010 10ค่ะสิ่งที่คนรู้นะคะพื้นไม้วอ น, นัตเนี่ยมักจะพบได้ในบ้านเก่าๆค่ะหากใครนะคะที่ชอบลวดลายของไม้แบบไหนก็ลองเลือกแล้วก็เอาไปวางในแนวทางในการปูพื้นบ้านกันดูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมานะคะรับฟังกันในถึงเรื่องราวของกลเมคเกรดท้ายครัวช่วงสุดท้ายของรายการค่ะศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยะช่วงนี้เรื่องราวในช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ด ครัวไอเดียนะคะกับช่วงนี้กลเม็ดเกรดท้ายครัวค่ะเรื่องของการทําความสะอาดนะคะที่เอเกลื่นเอาไว้กับเรื่องราวของถ้าไม่อยากต้องเรียกช่างนะคะแสิ่งต่อไปนี้ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ําอย่างเด็ดขาดค่ะปัญหาเรื่องของท่อระบายน้ำเนี่ยกลายเป็นปัญหาพื้นฐานของบ้านนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของบ้านหรือว่าสมาชิกในครอบครัวนะคะลืมที่จะตระหนักถึงสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งไปในท่อระบายน้ําและนี่คือ8สิ่งที่ห้ามทิ้ง ลงในท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดอย่างแรกคือน้ำมันปรุงอาหารค่ะแม้น้ำมันจะเป็นของที่ภายในครัวนะคะจำเป็นเพื่อปรุงอาหารแต่ความเข้มข้นแล้วก็น้ามันเนี่ยจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันนอกจากน้ำมันแล้วนะคะพวกเนื้อสัตว์นะคะเนื้อเบคอนเนะหรือว่าน้าเกรวี่เองก็ทาให้ท่อระบายน้ำเนี่ยอุดตันได้เช่นกันค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือกากกาแฟจิงอยู่ที่กากกาแฟมีประโยชน์สารพัดค่ะแต่ว่ากากกาแฟนั้นไม่ควรทิ้งลงในท่อระบายน้ำเพราะในกากกาแฟนั้นนะคะมีน้ำมันซึ่งจะทำให้ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตันได้ง่าย และการใช้กากาแฟนะคะที่เหมาะสมก็มีมากมายค่ะอย่างการนำไปขัดผิวหรือว่านำกากาแฟนะคะไปทำปุ๋ยหมกักรวมไปถึงใช้ช่วยดับกลิ่นห้องนะคะที่เป็นห้องใหม่กลิ่นเหม็นอับหรือว่ากลิ่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ภายในบ้านได้อีกด้วยค่ะต่อมาอย่างที่ 3. มนะคะเปลือกไข่ดูเหมือนเปลือกไข่เนี่ยจะเป็นเศษขยะชิ้นเล็กๆนะคะที่ดูแล้วไม่น่าจะทำให้ท่อน้ำเนี่ยอุดตันได้ แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าหากเราทิ้งเปลือกไข่ลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อเกิดการสะสมกันก็จะทำให้ท่อระบายน้ำนั้นอุดตันได้เช่นกันค่ะ ต่อมาอย่างที่4นะคะพาสต้าคงมีบางมื้อที่คุณเนี่ยทานพาสต้านะคะแทนอาหารประเภทอื่ น, นเมื่อคุณทานพาสต้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเส้นพาสต้านะคะแนะนำว่าให้แยกทิ้งลงในถังขยะแทนการเทลงในท่อระบายน้ำเพราะว่าหากเส้นพาสต้านะคะพองตัวในท่อระบายน้ำเนี่ยจะทำให้ท่อน้ำเนี่ยอุดตันแล้วก็มีปัญหาค่ะอย่างที่ห้านะคะก็คือยา ทุกคนเนี่ยคงจะมียานะคะที่ไม่ได้ทานแล้วหรือว่ายาเก่าการกำจัดยาเก่าๆ เ, เหล่านี้ไม่ใช่การทิ้งลงในท่อระบายน้ำนะคะเพราะว่ายาเนี่ยจะส่งผลกระทบทำให้แหล่งน้ำในบริเวณนั้นไม่มีคุณภาพค่ะต่อมาอย่างที่6นะคะเปลือกมันฝรั่ง สาเหตุที่ไม่ควรทิ้งเปลือกมันฝรั่งนะคะลงในท่อระบายน้ําเพราะเมื่อเปลือกมันฝรั่งสะสมหรือว่ารวมตัวกันมากๆแป้งภายในเปลือกมันฝรั่งก็จะเกาะตัวนะคะจนทําให้ท่อระบายน้ําเนี่ยระบายน้ําได้ยากนั่นเองค่ะต่อมาอย่างที่7นะคะก็คือเม็ดถั่วแล้วก็ข้าวเหตุผลเดียวกันกับการทิ้งเปลือกมันฝรั่งนั่นเองสุดท้ายคือข้อที่8ค่ะ เรื่องของสีนะคะไม่ว่าคุณจะใช้สีน้ำมันหรือว่าสีน้ำอย่าโยนส่วนเกินลงท่อระบายน้ําเพราะสีเหล่านั้นนะคะจะเกาะติดแล้วก็ขัดขวางนะคะการไหลผ่านของท่อระบายน้ํานั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในท่อระบายน้ํานะคะครั้งต่อไปเนี่ยก็คิดก่อนที่เราเนี่ยจะทิ้งท่อระบายน้ําเพราะว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะทิ้งลงท่อระบายน้ําได้นะคะ และนี่คือเรื่องเราทั้งหมดทั้งมวลในรายการกลเม็ครัวไอเดียของเราในสัปดาห์นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังเต็มอิ่มกันหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่จุใจนะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันและเวลาเดิมนี้ทั้งเอและรายการกลเม็ครัวไอเดียต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ